เขาว่าท่านพ่อลีเป็นพระเจ้า ทำไมไม่ปั้นพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ๆตรง เป็นปูชนียบุคคลเป็นใช่แล้วที่ควรสร้างพระ ท่านก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่สุดดําริคิดสร้างพระรูปทั่นไว้ก็ และพระเถระผู้ใหญ่ที่ค้นจากหนังสือข้องกับแล 25 ศตวรรษ ลำดับที่สามที่ 3 สอบถามพอเป็นแนวทาง จาลอโศกมหาราชนามเดิม 21 3 218 ถึง 260 หรือ 270 ถึง 312 เมื่อ 8 พรรษาก็ ในวงเล็บรัฐโอริสาของตามนโยบายธรรมวิชัย ทรงเจริญพระประเทศคืออโศกผู้มหาราช ต่อชื่อถึง 84,000 องค์ อโศกเป็นผู้สร้างทุกแห่งเป็นผู้สร้างทุกแห่งจาก และพบอักษรจารึกมีพระนามว่าแผ่นทองคํา เมื่ออานจรึกนั้นทรงมีเช่น ทรง 3 1,000 รูปและ 9 สาย พระเจ้าอโศกได้ทรงอาราธนาให้พระสงฆ์ไป 1 พระมัชฌันติกเถระ 2 พระมหาเถวทเถระ 3 พระราชกิจเถระ 4 พระโยณกธรรมรักษิเถระ เหลือบอมเบย์ 5 พระมหาธัมมรคิตเถระ 6 พระมหารคิตเถระ 7 พระมัชฌิมเถระ 8 พระโสณเถระและไทยลาวเขมรเวียดนาม กล่าวพระมหินทเถระไปยัง ผู้เขียนไม่ใช่ข้อมูลที่ลอยมาตามลมไม่ได้คิดเอาเองผู้อ่านพิจารณา 2496 เดือนทันวาคมปีนั้น ท่านพ่อหลี 6 รูปๆคล้ายๆฝนๆ เป็นโตประมาณนิ้วหัวแม่มือเจลนัยสี่เหลี่ยมสี ทรงสำเนียกเอาด้วยตัวๆพวกเราผู้ คราวที่ท่านพลีไปประเทศอินเดียได้เห็นพระ ก็เป็นเรื่องที่แปลกที่สามารถพิสูจน์ได้อีกอย่าง แต่ที่น่าแปลกมากและเหมือน ท่านปลูกเองและชักชวนคน 3 ต้น 3 และงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นยากที่จะมีผู้จัดฉลองได้ที่วัดในวงเล็บเป็นงาน ล่ะอีกเรื่องแต่มีหลักฐานอ้างอิงอันสําคัญ เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศ จึงเกิดญาณความรู้มีภาพของ ไม่มีความประสงค์จะมี เกิดนิมิตเป็นมาจากไหนต้องการพบใครพระองค์นั้นก็ตอบว่าดันโดนเดินทาง ส่วนอาตมานี่แหละเป็นพระเจ้าประเสริฐธิโกศล แล้วท่านพ่อหลีก็ เปรียบก็อยากวิ่งเข้าไปหารถอยากขี่อยากขับอยากนั่งบ้างเพราะวิ่งออกไปกลางถนนมันก็จะถูกรถชนตายเห็นนี่ก็หลงไปอีกแบบไม่ปลอดภัย ถ้าเช่นเห็นป่าแสมก็พิจารณาให้เกิดประโยชน์ป่าหรือจะขายก็ได้ก็อย่าปล่อยให้ว่างเปล่าให้เกิด ราวอีกอย่างหนึ่งก็เรียกเช่นเกิดเพราะอยากมั่งมี เกิดมากลัวเขาจะคดโกงมีก็ก็ไม่มีความสุขอีกในการปกปักฉะนั้น ต้นย่าก็มีในดินข้าวก็อยู่ในนารู้ดังนี้ได้เราก็จะสบายและจะลงไปในทะเลอีกก็สบายเพราะรู้จักขึ้นรู้จักลงรู้จักว่าในทะเลมันเป็นอย่างไรบนบกมันเป็นอย่างไรก็ สบายทุกอย่างทุกอย่างจะถอยหน้าถอยหลังก็เป็นไป ท่านพ่อหลีท่านไม่ได้รับและก็ มีลูกศิษย์ลูกหาล้วนแต่มหาเศรษฐีเรา ใดท่าก็พูดกันตามจริงมาใกล้ๆไกลๆและ สถานที่นี้มีการอば البรมจิดใจกันอย่างเค้งครัด คำกล่าวอย่างนี้ก็เป็นชื่อดีของเราคำกร่าวอย่างนี้ก็เป็นชื่อดีของเราฉะนั้นอย่าให้รั่วไหลได้ทั้งชื่อได้ทั้งความจริงเป็นดีแน่ได้ทั้งชื่อได้ทั้งความจริงเป็นดีแน่อย่าดีแต่ชื่อ แต่ตัวพระมันก็หลอกต้มคนต้มพระด้วยกันได้มีพระรูปหนึ่งมันไปเชียงใหม่มันว่าจะไปช่วยอาจารย์สร้างวิหารอวดอ้าง แล้วพาเงินเชิดไปเลยคนโกงแบบนี้เงินเชิดไปเลยคนโกงแบบนี้แกล้งทำ แสดงตัวว่าเป็นอรหันต์ข่าวลือไปไกลมี คนกับกินด้วยกันก็ย่อมได้ก็ไม่แล้วก็ไม่ใช่หมาตัวผู้นะเป็นหมาตัวเมียเสียด้วยกันอยู่ด้วยกันใครๆผู้รู้ <ม. S 1> อารหันต์หมามันก็จะกลายเป็นชื่อเสียฉะนั้น 2 ประการกล่าวคือเป็น แล้วท่านพ่อลีก็คนที่เข้ามาว่าพวกคนที่ท่านเข้ามามีอยู่ 1. จํพวกสาธุคือพวกมานิสัยตนหวังจะได้ความดีจากท่าน 2. จํพวกอิดชาแหนงนี้เห็นว่าเราดีกว่าเป็นไม่ ถ้ามันย่อมเป็นไปตามธรรมดาคราวาดมันแย่แต่ก็ไม่เห็นกล้าเอาจริงทำแนวมันย่อม สงสารหลวงพ่อจะถูกพวกพวกคือพวกพยายามทําให้เราสื่มเสียโดยประการต่างๆร้าย ลับหลังๆด้านคือ 1 หวังทำลาย 2 มาเบียดเบียนมา ย่าให้อย่านึกเป็นอื่นให้นึกว่าเรามาช่วยศาสนาอันเป็นของหาได้ยากการช่วยให้ช่วยได้ความดีรักษาคุ้มหู การช่วยได้ความดีนี้ช่วยด้วยความดีนี้ดีทั้งตัว พอฉะนั้นจึงอย่าประมาทหลังกลับฉะนั้นจึงๆ กล่าวเกิดจากการเห็นการฟังและการคิดการ 6 และฟังด้วยหูและเชื่อด้วยใจแล้วเห็นว่าของเขาหรือของเราดีจริงคนใดสิ่งใดที่เห็น เรามีตาก็ต้องรู้จักใช้ตาลืมไม่หลับหลับไม่ลืมก็แย่ไปให้รู้จักการปิดและเปิดการอันใดควรควรฉลาดให้รู้จักปรับปรุงให้เหมาะอย่าให้ผิดเมื่อใจมุ่งจะประโยชน์แก่พระศาสนาแล้ว เรเรเรเราก็ทําไป แต่ศาสนาเป็นสิ่งที่ต่อประโยชน์ได้ทั่วกันไปหมดคือเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของโลกสิ่งก็ยิ่งดีเท่านั้นต่อประโยชน์ได้ทั่วกัน เราได้ไปพูดสนทนากับพระยามา สอนอย่าไปยุ่งกับคนมากนักให้ไปนิพพานสิอย่าไปยุ่งชอบ จะไปเก็บเกี่ยวเอาแต่ข้าวสาลีมาอย่างเดียว จริงจริงแล้วก็เงียบไปคนเหล่านั้นมีหลาย บางคนกินข้าวอย่างหนึ่งและบางคนก็กินข้าวแดงเลยกินแล้วก็เตลิดไปใหญ่ไปน้อยอย่างหนึ่งธรรมะทะลุโลกบางคน ที่กิเลสมันยั่วเย้ายั่วเย้า ท่านมีอีกหลายเรื่องที่คนอื่นไม่รู้ผู้ไม่ถ้ากระแสตอบรับดีไม่แน่บางทีอาจจะมีเล่มต่อไปแต่หาใครคนสนใจก็จะถือว่าของดีมีเอาไว้เก็บใส่ตู้รักษา กราบปูชาทุกคืนวัน